พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่ายิ่งกว่าถูกหวยเฉนี่มันร้องบางทีมันก็ คึกขนองของมันแต่บางบางครั้งมันก็เหมือนจะมีอากาศฟ้าฝนหนาวร้อนฝนตกมันก็ร้องของมันนะเหมือนกับคนตะก่อนคนสมัยก่อนยุกยาไม่มียาก ย, ยค่อยยมากไอ้พวกที่จะเป็นขีกก่กะขี่เกอน เวลาฝนจะตกมันคันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะฉนีมันก็ไม่มียาเหมือนกันเวลาฝนจะตกมันอาจจะคันขี้กาขี้เกลื่อนมันก็ไม่รู้น่ะมันก็เลยร้องพวกเราให้สังเกตดูถ้ามันร้องอย่างนี้น่ะบางทีอาจจะมีฝนอาจจะมีฝนมีลมแต่เมื่อเช้าเนี่ยปล่อยๆนะหน่อยเดียว ฝนไม่มากเมื่อเช้าแต่ช่วงนั้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วเริ่มแต่ตามปกตินะแต่ปีนี้รู้สึกว่าแรงกว่าทุกปีที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นะปีนี้รู้สึกว่าแห้งแรงกว่าทุกปีพรน้าในสระน้ ำ, นำ ม, นมันแห้งแต่ก่อนมันไม่เคยแห้งเลย ปีนี้แห้งน้ำในสาแห้งไปหลายสะในสาหนึ่งที่หลวงตาขุดให้ตั้งแต่หลวงตาขุดแล้วไม่เคยแห้งเลยแต่ปีนี้โอ้แตกจนดินแตกและแห้งไปหมดแปลกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่กองแปลกหรอธรรมดาดินฟ้าอากาศ ในพระไตรปิฎกยังมีในครั้งพุทธการก่อนพุทธการอีกเมนทะกะเศรษฐีเจอนี่ยแหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นเศรษฐีใหญ่ในกรุงพารานสีพวกลือศีสีพลายเขาก็บอกว่าผลจะแรงนะ ให้ท่านเศรษฐีเตรียมเตรียมข้าวเอาไว้เจปีเจเดือนนะผลจะแรงตั้งแต่บัดนี้ไปให้ท่านเตรียมสางข้าวเอาไว้ทีนี้ก็เศรษฐีก็พอได้ฟังเท่านั้นแหละก็เลยกาเอาไว้เลย7ปีเจเดือนจะใช้ข้าวเท่าไหร่ก็เลยเอา ขี้วัวขี้ควายเนี่ยผสมกับข้าวและกับทาฝาที่วัวขี้ควายทา น, นก็ไม่ไม่แน่นแล้วเอาข้าวเม็ดข้าวเนี่ยผสม ก, กับขี้วัวขี้ควายเหมือนกับปูนซีเมนลักษณะอย่างนั้นะ่ะชาบฝาฉางข้าวสมัยก่อนมันมันไม่มีอย่างทุกวันนทุวันน้มิตรพราะจะตรงพระจะติกปิดระบบปุบุเอาไว้ข้างใน หรือว่ามีฝาปูนซีเมนต์แต่สมัยก่อนมันก็มีแต่ฝาไม้แล้วก็ข้างในเขาก็ฉาบด้วยขี้โคนถ้าเป็นขี้โคนมันก็ทําให้ข้าวมันดินมันปิดปะปนในข้าวเขาก็เอาขี้วัวขี้ควายมาคลุกกันกับข้าวข้าวเปลือกนี่นะจากนั้นเขาก็ใช้ไม้ ทาทาทาฉาบข้างในไฉาบข้างในฉางผสมกับข้าวหลังจากนั้นเขาก็เก็บข้าว เ, เก็บข้าวกิดว่าครอบครัวกับลูกน้องบริวารเอาให้พอเนจะ็ดปีเจ็ดเดือ น, นพอลือสีีลือสีศรีไพรเขาบอกเขามีหูทิพตาทิพใช่ไหมท่านมองไปในอนาคตแล้วก็บอกเศรษฐี เก็บข้าวไปเน่ะผลจะแรงนะเจ็ดปีเจ็ดเดือนนะข้าวเนี่ยเศรษฐีก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาททำฉางข้าวบ้าใหญ่จากนั้นก็ฉาบด้วยขี้วัวแล้วก็เอาข้าวเน่ะเป็นแกนเหมือนกับเราจะผสมปูนซีเมนแล้วก็มีหินมีทรายลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่มีแต่ขี้วัวขี้ควายมันลุยมันจุดยุ่ยเรา เอาข้าวเปลือกเป็นแกนเป็นแกนมันเหมือนกับหินลักษณะอย่างนั้นผสมเส่แล้วก็ทาทาทาทาทาท า, ทาเป็นฝาผนังจากนั้นก็เอาข้าวเข้าใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใ ส, ใ ส, ใ ส, ใ ส, ใส่เข้าไปเต็มหมดทั้งหลายช้างเหมือนกันว่าพอเจ็ดปีเจดเดือนพอต่อนน้นต่อมาก็ มันแรงจริงๆพอแรงเข้ามาเนีเ่เศรษฐีนี่ก็จะกินคนเดียวได้ยังไงบริวารคนทั้งหลายก็หลังไรมาขอมาขอก็ตักให้ที่แรกก็ใจใหญ่เลยตักให้ตักให้มากพอต่อมาต่อมาอ้วนไม่ไหวแล้วลูกน้องสู้จ้าไปหากินทางอื่นน่ยไปรับไม่ไหวก็เลยกันลูกน้องออกไปอีกต่อมาอีกไม่ไหวอีกมันจะหมดล เอาไว้แต่คนในครอบครัวเนี่อา่ามีแต่ครอบครัวมีสองผัวเมียแล้วก็ลูกแล้วก็นคนใช้คนใช้คนหนึ่งคนทำกเกษตรคนหนึ่งอา่าแล้วก็ลูกสะพาย อ, าอยู่ในบ้านพราะใสุดหมดท่นี้พอหมดแล้วเท่นี้ไปกระเทาะกระเทาะข้าวที่มันอยู่กับ ขี้วัวนะมาล่อนมาร่อนเอาไว้ทำทางนอกก่อนมาได้แล้วทำข้างในจนให้ใครจนให้ใครเห็นน่นแก็ทอแล้วก็มาเก็บเก็บเต็แต่ละเม็ดละเม็ดนะจากนั้นก็ทำมาหุงหูงอาหารสำหรับคนห้าคนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูก ชายลูกสะพ้ายกลูกแล้วก็คนใช้ในบ้านรวมแล้วกห้าหกคนหกห้าหกเจ็ดชีวิตแต่แม่บ้านเนี่ยต้องพิธีไปถานนูน่นเอาพอไปทำข้างไหนลึกๆหนูนะไม่ให้ใครได้ยินได้กินข้าวพอทำเสร็จแล้วก็พระประเจกพุทธเจ้าอยู่ในป่า ดอยขันธมาศเป็นกลุ่มพระประเจกเหมือนกันพระประเจกก็ไม่รู้จะบินทบาทที่ไหนเหมือนกันท่านก็เข้าฌานชมาบัติท่านก็มองเห็นเอเศษฐีเนี่ยจะทําบุญหรือเปล่าเนาะมื้อเนี่เป็นมื้อสุดท้ายของเขาใครว่าว่าข้าววันนี้แหละข้าวเป็นวันสุดท้ายแหละอ่าที่ดียจะได้ข้าว กินเป็นมื้อสุดท้ายแหละมื้อเนี่ยเออก็ว่าไปทําอยู่ข้างในอกระทาะจากขี้วัวขี้ควายที่มันติดข้าวเหนียวที่ข้าวเม็ดข้าวมันติดอยู่ในขีน้วัวขี้ควายที่เป็นฉาบฝาผนังฉางข้าวนะเอามากระทะกระทะมาเก็บทีละเม็ดด่วยลักษณะอย่า ง, งงั้นแ่ะขนาดนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายนะที่จะหาและก็เมียเศรษฐีอีกเป็นคนทําเองเลยไม่ให้หลุด ออกจากไม้จากมือเลยพอทําเสร็จแล้วก็ เ, เข้าไปจยูข้างในนะ่ะทั้งลูกสามสี่คนหมุบมาหมุบม า, มมาแบ่งสันปันส่วนกันฮนะเกํากลังจะแบ่งกันตอนนี้พระประเจกอยู่ในดอยกันธมาศอยู่ในป่าหิมาพาน์ท่านอยู่ในกลุ่มพระประเจกอีกเหมือนกันต่างพระประเจกต่างมากนละคือพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธจังศาสนาของพระพุทธเจ้า ยังมีอยู่พ่ะพระเจกจะไม่อุบัติขึ้นในโลกจนกว่าพุทธศาสนาหมดไปแล้วพระประเจกพุทธเจ้าจะขึ้นมาในระหว่างในระหว่างพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าระหว่างกันอย่างทุกวันนี่แหละอย่างพระโคตมะกับพระศีริยะเมตรัยอยู่ในระหว่างถ้าว่าหมดศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะบอกพุทธศาสนาห้าพันปี 2,500 ปีในกลุงพุทธการถึง 5,000 ปีถ้าคนไม่มีไม่รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วจากนั้นต่อไปพระประเจกจะอุบัติขึ้นในโลกจะอยู่ตามเป็นกลุ่มพระประเจกบาลมีของพระประเจกจะอุบัติขึ้นในระหว่างถ่าว่าผู้ใดได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้า ก, กับเป็นมหากุศ่อันยิ่งใหญ่ทตนี้วันนั้นพระประเจกพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบัติ ท่านก็มองดูเอ๊ใครจะทําบุญวันนี้วะอท่านก็เห็นนี่แหละพวกเศรษฐีกําลังหุงข้าวจะแบ่งกันกินอยู่พ่อแม่ลูกนะสามสี่ห้าหกเจ็ดคนนะ่ปะประปเจก็มองเอ๊เขาจะมีศรัทธาหรือเปล่านะถ้าเราไปบินธบตจุดนั้นแหะเขาจะมีศรัทธาหรือเปล่านะ่ะพระประเจก็มองหูโอ้เขาจะมีศรัทธา แในเมื่อเขาทําบุญแล้วก็จะตั้งความปรารถนาความปรารถนาของเขาจะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกอย่างอะพ่อปเจกมองทะลุเลยจากนั้นพ่อปเจกับบินทบาทมา ก, กับแบบพดขึ้นในตรงที่ที่เขากําลังจะแบ่งอาหารกันกําลังแบ่งสันปันส่วนใจคนละจานคนะและแบ่งกันแหลอพ่อปเจกับโผออกมาพอดีโผออกมาอ้าว พราะเจกมานะ้าเหมือนกันแอ่พอเจกเดินเนี่งเอา้าผมจะทําบุญทางผู้พอนะ่อเนี่ยยอมเสียสล ะ, ะทําบุญเนี่ยแหละตายเป็นตายเามือนกันเสียสละการทําบุญในครั้งนี้เป็นครั้งที่สําคัญที่สุดเพราะข้าวเขานี่เป็นข้าว เ, เป็นข้าวที่หุงครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกแล้วพราะกระเทาะออกมาจากขี้บัวขี้ควายฝาผนัง แต่เนพอปฏิเจติยงก็ยืนนิ่ ง, นนงจากนั้นพ่อบ้านก็เอาส่วนตนคบเองไปเกียรลงไปพอเกียรลงไปเสร็จแล้วคนที่สองแม่บ้านเอา้าวติฉันก็ทําบุญเหมือนกันยอมตายด้วยกันจะไปตายคนเดียวได้ยังไงตายเอาลูกเอ้าผมก็ทําบุญอยู่เหมือนกันพอในสุดคนใช้คนงานทําบุญทุกคนบ้านนี่สามสี่ห้าหกคนพ่อแม่ลูกแล้วก็คนใช้ประจํา คอบครัวด้วยพอทําบุญเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาแหลแต่อที่ผู้พ่อพ่อบ้านสาธุเนอข้าพเจ้าได้ทําบุญขราวนี้ตัดชีวิตของข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าจะได้ทานอาหารแต่พระประเจติผู้ไเจ้ามารับทานของข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดคำว่าอดอยากนี่ยจะได้มีจะได้เห็นอีกต่อไปเกิดพบใดชาติใดจนถึงพระนิพพานอย่าให้ข้าพเจ้า ได้รู้ได้เห็นเขาว่าอดอยากมากแค้นอย่างคราวนี้ครั้งนี้แม่บ้านก็ว่าเออสาธุนาออข้าพเจ้าออขอให้ข้าพเจ้าข้าวขอให้เต็มยุ่งเต็มช้างคาว่าอดอยากจะได้มีเกิดพบใดชาติใดออทางลูกชายขอสาธุนาข้าพเจ้าเกิดมาภพใดชาติใดเงินคําทรัพย์สมบัติ อย่าให้ขาดมือให้มีใช้มีจ่ายจับสมบัติทางลูกสะย้าบที่ฐานแล้วก็คนรับใช้ก็บอกว่าการตําข้าวแต่ละครั้งนี่ให้เป็นข้าวสารออกมาเลยเลยลักษณะนั้นนะแต่หลวงพ่อว่าคนคนคนงานนี่ที่คนคนใช้คนในบ้านคนทำงาน ไถนาตั้งที่จะตั้งจิตอธิษฐานทำบุญกับพรอประเจกพุทธเจ้าแล้วน่าจะตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอให้เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีน่าจะให้รวยที่สุดเ อ, อปัญญามันอยู่ในระดับไหนมันก็อยู่ในระดับนั้นเหมือนกันเ อ, อคนใช้คนไถนาคนทํางานสาธุนเน อ, อ, เ อ, อข้าพเจ้าไถนาแต่ละครั้งไถครั้งหนึ่งให้มันได้เจ็ดเจดลอยเหมือ น, นให้ได้เจ็ดลอย การไถนาพวกไถนามันเหนื่อยได้ใช่ไหมไถไปทีเดียวเนาะเจ้จับจับแต่คราวนี้ขอไถอเดียวให้ได้เจ็ดลอยทุกวันนึงเนี่ยคงจะเป็นรถไถของเราเนี่ยมั้งไถไปทีเดียวได้เจ็ดลอยเลยนั่นี่ก็ตั้งจิตที่ฐานด้วยอนันยสง์ที่ได้ทําบุญกับพระประเจเจ้าในคราวนี้ขอให้ข้าพเจ้าไถนาครั้งเดียวให้ได้เจ็ดลอยฮะไ ด, ด, ด, ด้เจ็ดคลองเหมือนกันแหละเจ็ดคองเจ็ดเจ็ดคลองไถนา อแต่คนผู้หญิงที่เป็นคนใช้ก่อนให้เขา้าไปทกตําคกกระเดืองมันยากเหลือเกินว่างั้นนะสารูเนอร์ข้าพเจ้าเอาทําคกกระเดืองตาําทีเดียวให้มันคล้ายๆกับว่าให้เป็นข้าวสารออกมาเลยก็คงจะเป็นโรงสีทุกวันนี้ก็มั้อมันจะตั้งจิตอธิษฐานว่างั้นนะคือทุกห้าหกคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานคนละอย่างกันจากนั้นก็ใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ยืนนิ่ง พอใส่บาตรทบทุกคนแล้วก็ปนมมือพ่อปเจก็ให้พรนะสเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโห ต, โตุขอให้ความปรารถนาของพกท่านทั้งหลายสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการเทิดพอพ่อปเจกให้พรเสร็จแล้วท่านก็เหาะเลยบ้านได้ข้าวไปแล้วเหาะเลยพ่อเหาะเลยเสร็จแล้วแล้วก็ทั้งพ่อบ้านเนี่ก็ทั้งแม่บ้าน พังพ่อบ้านกันมือก่าหน้าผากก็ตายแล้วข่าวนี่นอนตายเลยไม่รู้จะหาที่ไหนมากินแหละเพราะว่าครั้งสุดท้ายแหละกระเทาะข้าวเปลือกฉางจุดท้ายแล้วฝาจุดท้ายแหละตะกอนกรกระเทาะฝานั้นกระเทาะฝานี่แต่ครั้งนี้ฝาสุดท้ายอีกต่างหากที่หมดข้าวทั้งแกบทั้งลำผสมใส่กันที่เป็นอาหารได้เออเสียนที่เสือกพอ ทำบุตรพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็นอนมือกายหน้าผากแล้วส น, นอนตายแล้วงั้นใช่หรมันนอนตายมันก็หิวเนี่ย <c oughs> ความหิวมันก็เกิดขึ้นเน่ะมันก็ไม่ยอมตายแท้เนี่ยใช่ไหมเวลาโอ้บอกกับแม่บ้านเศรษฐีว่าโอ้มันหิวว่ะไอข้าวที่ ต, ติดกุ้นหม้อมันมีหรือเปล่า ว, วาเหรอคอะออพ่อเศรษฐี ตามไม่จริงโอ้ยเขาไมา่ให้ติดสักเม็ดเลยลว่างั้นเถอะพอเอาข้าวมากระขูดแล้วกูดอีกเอาน้ําล้างอีกต่างหากท่านนะเออเพื่อไม่ให้ไอาข้าวอยู่ในก้นหม้อทางเมียเสียทีเนี่ยเห็นว่าผัวต้องการอาหารใช่ไหมมันหิวนะ่ะก็คงจะมีอยู่มากทั้งที่ตัวเองเนะ่ะเป็นคนทําอาหารมันหมดแล้วจนได้ล้างก้นหม้อแล้วแต่ว่าในที่เมื่อผัวสั่งใช่ไหม พ่อบ้านสั่งพ่อบ้านหิวเต็มทนก็เห็นใจกันเหมือนกันยามทุกยากอย่างนั้นแต่นคนเมื่อไม่ทุกไมา่ยากมันไม่เห็นใจกันได้ในเมื่อข้าวทุกยากอย่างนั้นมันเห็นใจกันได้สั่งอย่างไงก็ต้องไปตามนั้นน่แม่บ้านก็เลยไปไปตามที่พ่อบ้านสั่งทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าข้าวมันหมดแล้วก็เดินตุ่มเตียมเขาไปในครัวไปดูหม้อข้าวพ่อเปิดหม้อข้าวตรงนั้นโอ้โว หม้อข้าวเต็มฉุยเลยท่นี่เหมือนกับอาหารเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะว่าแม่บ้านน่ยปรารถนาว่าสาธุนะเกิดภพใดชาติใดอย่าให้ผู้ข้าได้อดได้อยากให้ข้าวเนี่ให้มันเต็มยุ้งเต็มช้าง เ, เต็มหม้อหุงเท่าไหร่กินเท่าไหร่แจกคนเท่าไหร่อย่าให้หมดให้เสี่ยงคําว่าอดอยากอย่าได้มีทางพ่อบ้านก็ปรารถนาบอก ข้าวขอให้เต็มยุ่งเต็มช้างยาให้อดให้หยาดแจกเท่าไรก็ยาให้หมดให้เสี่ยงมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นทั่วโลกมาก็แจกย่าให้หมดนะคือตั้งความปรารถนากับพระประเจกทาบุญเพราะการทาบุญคราวนี้เป่าเสี่ยงชีวิตเลยเหมือนกันตัดใจเลยในะทั้งที่ตัวเองจะได้กินก็ทาบุญทั้งหมดนะก็ว่าปรามัปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปรามัดกับข้า่าจา ชะละทั้งชีวิตเลยในการทำบุญในครั้งนี้ที่พ่อเประเกมาโปรดเอ่อทีนี้ก็พอแม่บ้านไปเปิดไปเห็นข้าวเต็มหมอ้อโอ้ข้าวเต็มหมอ้อเลยจากนั้นก็ยกมาเลยเรียกคนทั้งหกมากินเลยพอกินเสร็จแล้วก็อ้าวใครมาแจกคนแจกเท่าไรก็ไม่หมดเลยทางผู้พ่อเนี่ยก็เอาแจก ข้าวในยุ่งในฉางแจกให้คนอีกอตากเท่าไรก็ไม่รู้จักบกจักพ่องเพราะตั้งความปรารถนาไว้ได้พระปฏเจกบุญบรารมีคุ้มครองแะแต่ทางลูกชายเนะี่ยเข้าไปเปิดเงินใครจะเอาเท่าไหร่ เ, เงินเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเงินเป็นเงินจริงๆแจกอีกอทางลูกสะพ้ายเนี่ยก็น่นแหละแจกเสื้อผ้าให้คนอีกอแต่คน รับใช้กันนั่นน่ะไปตำคกกระเดืองอีกโอ้มันคล้ายๆกับว่าตำเข้าไปข้าวมันออกมาผิดคาดเไอ้ลูกน้องที่เคยทำไล่ไถนาว่าเขียนแต่บา ร, รมีของเขาข่าไปลองไถนาดยสิอับกไถไปไปไถนาเโอ้ไถข้างเดียวออกมาเป็นเจ็ดทางเลยเหมือนกับรถไถของเราเนี่ยเห น, นโอ้นี่แหละ อเนกสงฆ์ที่ทำบุญกับพระปเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือบุญบา ร, รมีที่พระปเจกออกจากนิโรธสมาบัติบุญกุศลมหาศาลถา้าใครได้ทำกับพระปเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาอย่างไรความปรารถนานั้นจะสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาท้าวว่าพระมารหัน ออกจากที่โรดสมาบัตินิโรธคืออะไรคื อ, อยังพระสาริบูตรอย่างเนี้ยท่านจะเข้าฌานสมาบัติท่านจะไปหาที่เลยท่านก็ น, นั่งพอนั่งท่านจะตั้งจิตอธิฐานร่างกายของเราให้อยู่ตามปกติอย่าให้มีอะไรผิดปกติในการเป็นอยู่ของข้าพเจ้าจากนั้นใจของความบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ท่านก็เข้าสู่นิพพาน สวยวิมุตติสุขในนิพพานพระรหันจะเข้านิโรธสมาบัติได้มีพระรหันอยู่สามจำพวกสุขวิปัสสโกน่เข้าไม่ได้เพียงจะรู้ว่าตัวเองสำเร็จเป็นพระรหันสุขาวิปุวิปัสสโกเตวิชโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปัตโตนพระรหันสามจำพวกเเข้านิโรธสมาบัติได้ เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรนี่ท่านเป็นพระหันนี่แหละหรือว่าพระอรหันต์พระโมกขลาพระกัสจปะอาโน่นี่ท่านเป็นพระหันนี่แหละเข้านิโรธสมาบัติได้ขณะที่เข้านิโรธสมาบัติเข้าใจของท่านความมรรจุของท่านเข้าไปเสวยวิมุตติสุขคือเข้าไปสู่พระนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่เรียกว่า อ, อุปปาทิเสนิพพาน คือเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสนิพานคือเข้าพระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานขณะที่ตายร่างกายแตกตายสลายลงไปเจ้บอกเหมือนกับคนตายทุ่ทุกปไปนี่ว่าอนุปาทิเสสนิพานแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เมื่อเข้านิโรธสมาบัติเข้าไปสวยวิมุตติสุขเรียกว่าอุปาทิเสสนิพานนิพพ ร, ระเจกทำได้พระอระหันต์สามจำพวกทำได้ แต่พระหันมีอยู่สี่จำพวกนะสุ ข, ขวิปัสสโกโตเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตแต่สุ ข, ขวิปัสสโกที่ทำไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าตัวเองสําเร็จเป็นพระหรหันแต่สามจำพวกนั้นท่านเข้านิโรธสมาบัตรู้อดีตรู้อนาคตเหาะเหินเดินฟ้าได้แสดงดําดินบินบนได้อันนี้ก็คือพระหันสามจําพวกนี่แหละอันนี้ก็คือ พระปฏิเจกพุทธเจ้าเนี่ก็ี่แหละจัดเข้าเป็นเตวิโชสละพินโยปฏิสัมพิทัพปัตโตท่านมาโปรดท่านเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเข้าเจ็ดวันคล้ายๆกับว่าเข้าไปสู่นิพพานนั่งใครจะเอาไฟเผาใครจะอะไรจะไม่เป็นอันตรายทั้งหมดท่านตั้งจิตนิฐานไปแล้วคือฤทธิ์ของท่านคุ้มครองแล้วจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานพอเจ็ดวันออกมา ออกมาคือเอาใจเข้ามาสู่ร่างกายเหมือนกับเหมือนเขาท่านจอดรถไว้อย่างนั้นแหละเออรถของข้าไปเจ้าเนะี่ยอย่าให้โจรผู้ไล่ใครก็ตามมาทำร้ายทําลายได้โดยเด็ดขาดนิเทพไปเจ้าเราเทวาอารักษ์ทั้งหลายก็รักษารักษารถคันที่จอดเอาไวนะ้บัณฑิตโซเฟอร์ของท่านก็เข้าสู่นิพพานลักษณะอย่างนั้นแหละเออจากนั้นก็พอได้เวลาเจดวันตามกําหนดที่ท่านอธิษฐานไวท่านก็นเดินเข้ามา อ่าขยับรถขับรถนะแต่รถคันนั้นน่ะมันหิวนีแต่นีน้ำมันมันก็พองเพราะมันติดจอดอยุดชึงชึ้งึงชึ้งชชึงชึงอยู่เครื่องไม่ดับใช่ไหมแต่ว่าตัวเองเจ้าของโจเฟอร์เนี่ยเข้าสู่วิมุติสุขไปเที่ยวไปชมตลาดลักษณะอย่างนั้นหละถ้าว่าเปรียบเทียบนะแต่ในขั้นเข้าสู่วิมุติสุขของท่าน พอเสร็จแล้วได้เจดวันท่านก็กลับมาหาหารถท่านจากนั้นก็ขับรถรถมันก็น้ํามันมันก็พ่องอะไรสินี่น้ําก็พ่องน้ํามันก็พ่องทะนี่ยจากนั้นท่านก็เอเราจะไปโปรดเราจะไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนนะเนี่ยท่านก็มองหาเลยใครจะมีศรัทธา น, นี่แหละคาดว่าผู้ใดก็าตามทําบุญกระพรภประเจกพุทธเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติ อย่างนั้นยิ่ยงกว่าถูกหวยแจ็คพอตว่างั้นเออันในสงฆ์มหาศารเป็นหลายร้อยหลายพันทวีติดพบติดชาติจนถึงเข้าสู่นิพพานถ้าเราปรารถนาอะไรอยากจะได้อะไรต้องการอะไรจะสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกอย่างอันนึ่ขณะที่พระปฏิเจกหรือพระระหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่แหละอันนี้ก็คือ ในหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่พระไตรปิฎกท่านได้บอกได้กล่าวเอาไวนะ้อันนี้ก็ขอให้พวกเราลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมฟังังเอาไว้นะอันนี้หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษามานะในพระไตรปิฎกเลือกเมะกะเกษฐีคือพ่อของนางวิสาขาเนี่ยที่นี่แหละได้ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าสมัยนั้นฟ้าฝนแลรงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะ มาเห็นปีนี้แหละเป็นปีแรกที่วัดของเราสาดน้ําขอแห้งอน้ําขอแห้งหลายๆแห่งชาวบ้านก็เดือดร้อนพอสมควรปีนี้นะถ้าหากว่ามันเป็นอย่างในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการแต่ครั้งก่อนๆมาถ้าฝนแรงเจ็ดปีเจ็ดเดือนพอทุกอย่ากลําบากพอสมควรพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแะเกิดมาในโลกเนี่ยอยากเกิดดีที่สุด จะจะทำยังไงสร้างบุญสร้างกุศลบําเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้พ้นทุกในวัฏจักสงสารถึงแดนพระนิพพานอ ย, าอย่าไหนอย่าได้มาเวียนไหวาตายเกิดดีที่สุดถ้าเวียนไหวาตายเกิดมาเลยไม่พบใดก็ต้องชาติหนึ่งละดินฟ้าอากาศจะให้ได้อย่างใจของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นให้ สั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญคุศลไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างเห็นไหมเกิดมาในโลกมันไม่น่าจะมีก็มีมันไม่น่าจะเป็นก็เป็นแถวอฟริกาเห็นไหมท้องใหญ่ใหญ่หัวโตโ ต, ตขารีบๆไม่น่าจะมีในโลกมันก็มีฮเพราะโลกนี้มันมันหลายมุมหลายแง่อหลายอตลบตะแลงเหลือเกิน ไม่ใช่ว่าเราอุดมสมบูรณ์แล้วคนอื่นจะสมบูรณ์อย่างพวกเราไม่ใช่นะในสมัยก่อนโลกเป็นการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงแตข่ขนาดนี้ก็เถอะขนาดโลกทั้งโลกสื่อสารส่งอาหารกันไปทั่วโลกช่วยกันไปทั่วโลกแต่ขนาดนี้แตดูดูแล้วก็ยังความธุระกันดารยังมีอยู่เพราะเหตุไรเพราะคน จนนี่มันจนหมดทุกอย่างจนทั้งสติจนทั้งปัญญาจนทั้งความคิดเนี่ยมันจนหมดทุกอย่างเขาว่าจนเน่ยเข้ามารวยมีมีมาเนีมันก็มีตอนนั้นก็มีตัวนี้ก็รวยขึ้นมาเนีควาว่าจนคำเนี่ยมันจนทั้งสติจนทั้งปัญญาจนทั้งความคิดจนทั้งพี่ทั้งน้องจนทั้งบุญกุศลมันจนไปหมดฮะมันก็เลยทุกข์นะเพราะนั้นพวกเราสั่งสมบุญกุศล เข้าสู่จิตใจให้ทานรักษาศีลภาวนาจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องประวัติของเมนทกะเซนทีคือพ่อของนางวิสาขาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเล่าให้ฟังมาในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดยกเมฆพูดเฉยๆไม่ใช่นะตอนนี้ไปรับพอรอนุโมทนาให้พร